อัลลอฮ์อัลล م ฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอ ن ์ و ัลลอฮ์อัลลอฮ์อั ل ه อฮ์อัลลอ ه ์อั و ลอฮ์อัลลอ ر ์อัลล ن ฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อ ن ลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ Allahumma bika asbahna ك a b i k a a m ا a y n a wabika nahiya wabika namutu wa ilaikan nushur amuzu ا i k a l i َ a t i l l a hita َ ا t i min sharima khalaq b i s m i l م a h i l l a d h i la yadur ma asmih shayuun fil arz walafis sanaa wahusamiyul alim rabidu billah yarabba wabil Islamidina و ับิมูฮัมมั ا ل ل ลลัล م อฮฺัล و อฮฺมะอินนีอาอูบิค ا มิณักสลิวัสูอิลก ا ل รีรับบิอา ب ูบิค์มิ سبحان الله อฮฺว حمد ี ل ีอาดั ه و ฮ์ลขิฮีวาริบาะนัฟซีฮีวアジณะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <c oughs> พี่น้องที่ร่วมนมาซุบะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละ <c oughs> ด้วยความเมตตานะครับของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ุตาลที่อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่นะครับมาถึงวันนี้อัลลอ์ให้เราได้มีโอกาสได้หลอนหลับไปเมื่อคือนนี้ให้เราตื่นขึ้นมาดวอาที่เราจะต้องขอบคุณอัลลอ์ก็คืออัลฮัมดุลิลละเป็นดวอาที่สมบูรณ์ที่สุด ที่เหมาะสมที่สุดที่อัลลอฮ์บอกผ่านนบีให้นบีมาสอนอุมม่าของนบีทุกคนว่าการขอบคุณอัลลอฮ์ภาษาที่ดีที่สุดก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาิลลอยานาบะดามะอามตานาวยิลัฮินมูชดนี่เป็นตัวอารที่ดีที่สุดที่ผ่านท่านนบีมุ h m m a d a l l a l l a h u a h i w s a l l a m ตัวอารนี่อย่าแต่งเองนะนะครับพยายาม เรียนแบบหรือว่าเอาสุนนะของท่านนาบีมาใช้ในชีวิตประจำวันดูอาตอนเช้าหนึ่งมือทั้งหมดสิบเก้าดวอาดูอาตอนเย็นก็เหมือนกันสิบเก้าดวอาดวอาบทเดียวกันนี่แหละที่นำเสนอไปประมาณห้าหดวอานะครับขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้นั่งอยู่ในบ้านของอัลลอ์นะครับแล้วก็ทบทวนอัลกุรอานแต่วันนี้ทบทวนเป็นพิเศษก็คือว่า เราเอาคุรานมาหาความหมายหาความรู้จากอัลกุรอานนะครับคุรานที่นาํามาเสนอนี่นะครับเอามาจากหลายๆตัอซิสหลา ย, ย, ห, ลายหลายเล่มนะครับประมาณหกเจ็นเล่มด้วยกันนะครับเอามุมมองต่างๆของบรรดาอุลามะเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังนะวันนี้มาถึงสูร์อัลมุมินูน فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون الله أكبر" ดูคัมภีรนะครับเรื่องนี้อัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเรื่องของนบีมูซากับนบีฮารูน อัลลอฮ์ให้ส่งนบีมูซากับนบีฮารูนเนี่ยมามหาใครมหาฟาโรห์มหาเิรอนมหาทมาห์เพราะฟาโรห์เนี่ยทรยศต่ออัลลอฮ์ตั้งตัวเป็นใหญ่มองคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นทาสหมดเลยเนี่ยมองอย่างนี้นะ่ะถูกหรือผิดสรุปผิดครับมองคนเป็นทาสมองคนเป็นไพร่ไม่ได้ นะครับนี่อลัลลอฮ์สอนเลยนะสอนฟาโร่นะครับสอนแล้วก็ัวามายาอีฮีระดับหัวหน้าหัวหน้าหลูน้องของฟาโร่ทั้งหมดเลยะมองคนเป็นทาสมองคนในบ้านตัวเองเป็นทาสนะครับเอามาดูกุรานฟะกอลูดังนั้นะดังนั้นพวกเขากล่าวว่ากอลากอลากอลูมาถึงพวกฟาโร่นะครับแล้วก็หลูน้องของฟาโร่ทั้งหมดพูดโต้อตอบ หลังจากอัลลอฮ์ส่งมูซามาส่งฮารูนมาพอส่งมาแล้วพวกนี้ต่อต้านาแบบนบีนัวก็ถูกต่อต้านนบีฮูดก็ถูกต่อต้านนบีซอเล่ก็ถูกต่อต้านทุกนบีถูกต่อต้านหมดแลวพูดภาษาคล้ายๆกันเอาดูพูดว่าไงอานุมิน่พวกเราจะเชื่อ อ, า, อานุมินจะให้เราศรัทธาจะให้เราเชื่อ ลีบาชารอยนี้บาชาลุนแปลว่าคนบาชาลอยนี้สองคนพวกเราควรจะเชื่อคนสองคนอัลลอฮฺนี่คือหัวหน้าพูดหูน้องก็พูดตามกันหมดเลยจะให้เราไปเชื่อคนสองคนมูซากับฮารูนมิสลลนาคนเหมือนเราเรานี่แหละมัะนจะไปเชื่อมันได้ยังไงภาษาดีไหมดีมากครับพี่น้องนี่แลาภาษาอย่างนี้แหละทุกนบีพูดแบบนี้หมดเลย พวกเขากล่าวว่าพวกเราควรจะเชื่อคนสองคนอย่างเราเรานี้หรืออ า, อ, อากอโลอุอนุมินูลีบาชอร้อยนี่พวกเราควรจะเชื่อคนสองคนอย่างเราเรานี้รมิสเลนาเนี่ยเหมือนเราคือมีปากมีจมูกมีหูมีเมื่เมอเราทุกอย่าอะไรไปเชื่อมันได้ยังไง ว่าก้าวมูฮูมาอัลลอ์นี่ภาษา น, นี่อัลลอฮ์เล่าเลยนะฟาโร่โเนี่ยคิดยังไงมองคนในบ้านน่คิดว่าไงว่าก้าวมูฮูมาทั้งทั้งที่พี่น้องของเขาทั้งสองเก้าบนเพราะว่าพวกพวกของเขาทั้งสองหรือว่าพวกพ้องของเขาทั้งสองพวกพ้องของนบีมูฮากับนบีฮารูนเป็นไงอาบิดู เป็นคนรับใช้ในภาษาอุรดูอธิบายนะเป็นทาสภาษาอุรดูเช็คดูเขาแ ป, แปลว่าทาสเลยนะจานั้นฟาโรเนี่ยมองคนมองพวกบันิอิสโรอินอประเทศนั้นวันนั้นนะพวกบันิอิสโรอินอยู่ใต้การปกครองของใครนะของฟาโร่ฟาโรมองพวกบันิอิสโรอิน นำโดยนบีมูซาเนี่ยมองเป็นทาดมองเป็นทาดอาบิดูเนี่ยศัพท์เดิมแปลว่าบูชานะครับแต่ที่นี้หมายความว่าเชื่อฟังปฏิบัติตามเป็นอาบิดนะเพื่อจะบรรยายสรุปง่ายๆก็คือฟาโร่เนี่ยมองคนในประเทศของตัวเองมองคนที่เป็นลูกน้องตัวเองนะั้นมองเป็นทาดมองเป็นไพร่มองเป็นคนไรเกียรติต่ําเกียรติมากเลย แล้วก็อินเดียก็เหมือนกันไปน้องอินเดียเนี่ยใครเป็นปกครองอังกอร์กอนมุสลิมปกครองใช่ไหมอยู่กันแบบสบายไมมีปัญหาแต่ผู้ปกครองเวลาได้เป็นใหญ่นานๆแล้วลืมอลัลลอฮ์เหมือนกันลืมลืมอลัลลอฮ์หมดฉะนั้นถ้าไม่ฟังศาสนานี่นะเสียเสียเสียคนหมดเลยแค่ถ้าฟังศาสนาบ่อยๆมันจะถูกกระตุ้นอ่าอย่าหลงนะอย่าหลงตัวเองนะ คือดุญญนยาเนี่ยมีอยู่สี่การสี่ห้ารายการหนึ่งผู้หญิงสองเงินสามชื่อเสียงสี่เกียรติยศห้าตำแหน่งไอ้ห้ารายการนี่อร่อยหมดเลยใช่หรือไม่ใช่แค่ผู้หญิงก็แบบโอ่อนล่อครับทวดแค่เงินนี่โอ่อนล่ออิ่มเอบจริงจริงแค่ตําแหน่งนี่โอโ้โหแค่ชื่อเสียงนี่ละเกียรติยศที่คนยกย่องเนี่ยทําให้คนเนี่ยเสียตัวหมดแล้ว เสียคนมาเยอะแล้วนะไอ้คนที่ไม่เสียคนมีไหมก็ดูบรรดาอับดุลข์ที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นแบบอย่างจะได้รับเกียรติขนาดไหนไม่เคยลืมอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาแล้วนะครับเอาทีนี้คนสามัญชนอย่างอย่างอย่างเราเราเนี่ยเป็นคนเป็นเป็นเป็นผู้นําได้ไหมดาแต่ฟาโรห์บอกไม่ใช่ทีนี้ฟาโรห์มองคนในชาติว่าเป็นอะไรนะเป็นทาส ถาวมว่ามอเป็นทาสเนี่ยได้ไหมไม่ได้อาย่านี้มีข้อสรุปอยู่ประมาณสามประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งทำไมเขาไม่ยอมรับนบีมูซาทําไมฟาโร่ไม่ยอมรับนบีฮารู น, นะครับเพราะฟาโร่เข้าใจว่าในโลกนี้มีคู่เดียวฟาโร่มองอย่างนี้เลยโลกนี้มีคู่เดียวแต่คดเปจริงในโลกนี้มีกี่ัูวนะสองคู่เข้าใจไหมนะ คั่วคนนะรัมกับคั่วพวกมีคั่วดุนยากับคั่วอาร์เคโสรุปง่ายๆก็แล้วกันนะคั่วดุนยากับคั่วอาร์เคโรคั่วดุนยาเนี่ยเขาครองกันห้ารายการหนึ่งครองคนดูแลคนดูแลผู้หญิงด้วยนะสองดูแลเงินสามดูแลเกียรติยศดูแลตําแหน่งดูแลชื่อเสียงดุนยาไปครองหมดเลยใครไปครองยิ่งตําแหน่งใหญ่ๆในบ้านเมือง เขาครองหมดเลยหนึ่งเงินสองชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศอะไรก็ตามแต่ฟังดุญยานี่ครองหมดเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งฟังอาคีรอนเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ครองใครครองบรรดาอาบดทั้งหมดมาครองอัลลอฮสอนให้ให้นึก น บ, บีมุซามาครองอะไรครองคุณธรรมความดีน บ, บีมุฮัมมัดมาครองคุณธรรมความดีบรรดา น, น บ, บีทั้งหมดที่มาในโลกนั้นมีแต่คุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมความดีจะริยธรรมไอ้คุณธรรมเนี่ยมีอยู่ห้ารายการเท่นั้นเองหนึ่ง إيمان ใครที่มีอีมา ن น, นะอัลลอฮฺผอัครวัดและมีเงินด้วยมีดุนยาด้วยสงาไหมสางามากเลยหนึ่งมีอีมานสองมีตักวา สามมีอะไรครับสามมีอิฮซานสีมีย ين, ักินอัลลอฮฺตักกวะนี่ทั้งหมดเหล่านี้นะครับคุณธรรมนะหนึ่งอีมาน2ตักวา3อิขลาส1นึ่งอะไรอิมาน2ยักินยักินหมายถึงมันน่นในอัลลอฮฺนะสอิขลาสความบริสุทธิ์ใจ4ตักวา5อิฮซานห้ า, า, หารายการหกรายการตัว น, นั้นแหละ ไอ้ห้าหรายการนี่นะพาไปสวรรค์บนเลยนะไอ้ดุนยาห้ารายการจะลงนรกหมดนะสังเกตนะคนที่หลงดุนยานะทานไม่มีห้ารายการของฝั่งคุณธรรมนะตรงนรกหมดแต่ถ้ามีห้ารายการของของดุนยาแล้วมีคุณธรรมอีกห้าหกรายการนี่นะพาไปสวรรค์บนเลยคนะอัลลอฮฺเป็นห่วงเป็นห่วงมนุษย์ ส่งฟาโรมาครองห้ารายการแล้วกลัวจะหลงส่งนบีมูซามากับนบีฮารูนอะไนคิสลาลมาแล้วทุกครั้งเนี่ยต่อต้านหมดเลยทุกนบีถูกต่อต้านใช่ไหมนี่แหละเหมือนกันวันนี้ก็ถูกต่อต้านใช่ไหมคุณธรรม ถ, ถูกต่อต้านหมดเลยเอาทีนี้สาเหตุที่เขาต่อต้านเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาเป็นคนโอหังและเป็นคนดัง อาคนดังนี่ไม่เชื่อใครง่ายๆรนะอาลีนมาถึงวางวางตัวข้อที่สองฟาโรเนี่ยปฏิเสธโลกอาเคโรเข้าใจว่าตายแล้วตายเลยตายแล้วฟื้นไหมไม่ฟื้นยังไงยังไงก็ไม่ฟื้นพอมันนึกไม่ออกเนี่ยนี่เวลาจะนึกขอดุงอาเนี่ยต้องขออย่างนี้ด้วยนะ อัลลอฮุมมาฟตาอักฟาลาอักฟาลากูลูบีนาโอ้อัลลอฮ์เปิดอะไรนะมันมีกุญแจไขหัวใจมันมีนะกุญแจมันจะไขห้องไม่ใช่ไขห้องในแนวไขไขหัวใจด้วยนะกุญแจมันมีเนี่ยถึงนบีสั่งให้เราขออัลลอฮุมมาฟตาอักฟาลาคูลูบีนาโอ้อัลลอฮ์โปรดเปิดกุญแจไขกุญแจหัวใจของพวกเราด้วยเมื่อที่มองไม่ออกอ่นะมองเฉพาะภาพ ปั จ, จัยดุนยาอย่างเดียวแต่ภาพอาคิร้อนึกไม่ออกเอ้มันจะได้ยังไงมันมียังไงโอ้อล l l a h เปิดได้นะอิฟตากูลูบาอักฟ้าลกกูลูบไปนาอักฟามาถึงกุญแจกุญแจหัวใจเนี่ยเปิดด้วยมันจะมองโลกอาคิระอนเห็นภาพอาคิร้อนด้วยแต่วันนี้เห็นเฉพาะภาพดุนยาแต่ภาพอาคิรอมองไม่เห็นเพราะอาคิร้อยอยู่เพื่ออะตายแล้วถึงจะเห็นนะ่ะฉะนั้นมันมองภาพไม่ออก ถ้าไม่ส่งนบีมาสอนนะมองไม่ออกเล ย, เลยนะครับภาพอาคิระอมองไม่เห็นนะครับข้อที่หนึ่งนะครับที่ฟาโรห์เนี่ยปฏิเสธในตับซีดภาษาอุรดูนะอัชซานุลบบยานสาเหตุสามประการที่ปฏิเสธก็คือพวกผูเขาเป็นคนโอหังเป็นคนอวดโตข้อที่สองกูเขาปฏิเสธโลกอาคิร์รเชื่อว่าวันสิ้นโลก ไม่มีนะครับตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งข้อที่สามเพราะพวกเขามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจึงนึกอะไรไม่ออกไอ้อยู่สบายๆนี่ระวังนะนึกอะไรไม่ออ ก, อชาากใช่มอาจารย์กฤตใช่นึกไม่ออกจริงๆอะเมียก็สวยบ้านก็ใหญ่เงินก็เยอะนึกอะไรไม่ออกเลยครับ นึกไม่ออกไงใครลองผ่านชีวิตนี้มาเราจะรู้โหนึกไม่ออกจริงๆเอาล่ะแค่เสียงโทรศัพท์มานี่ขอยืมตังค์ดูหรือเปล่ามีคนเล่าผมฟัง ม, มีคนขายนานได้ประมาณห้าห้อยล้านชันตอนนี้ตังค์นี่เครียดนาดูเลยใครมาโทารศัพท์มาเนี่ยนึกเลยมันจะขอยืมตังค์ฉันหรือเปล่าเห็นว่านี่สารภาพกับผมมาช่ไเดี๋ยวนี้อยู่แบบจนบ้างรวยบ้างสบายที่สุดถ้าอยู่แบบรวยนี่นะ โอใครมาบ้านเดินเลือกก่อต้องสังเกตดูก่อ น, ม, นมาแบบไหนจะมาขอยืมตังหรือ ม, มาถวงนี่มันนึกไปหมดนะ่ะมาเดนึกวันนี้เป็นมาลายกามาขอมาอะไรนะเอารางวัลมาให้เอาของดีนึกไม่ออกนึกแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีหมดเลย ด, ด, ดูเหตุ น, นี้อลัลลอฮฺจึงส่งนบีมาสอนเรื่องอลัลเรื่องอีมานสองอะไรนะตากวาสามอิคลาสสี่ยาตินห้าอีฮซันเอาอีฮซันแปลว่าอะไร อันตะบูดาละกะอกันนาคาตรอหุฟอินลำตกุตอหุอยลอกัทำความดีทุกรารการนึกว่าเราเห็นอัลลอฮ์าก็ทาดีมะนะตอนทำท ำ, ทำจากํานมัดอย่างเงี้ยจะบริจาค ก, ก็ดีถ้าีคนถ้าอัลลอ์เราเห็นอัลลอ์เนี่ยมันต้องทาด้วยความบริสุทธิ์ใจอิคลาตต่ออัลลอ์ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นอัลลอ์ต้องนึกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสมเห็นเรา มันทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่ไงความประเสริฐของคุณที่มีคุณธรรมเยอะๆเนี่ยทําให้อยู่บนโลกดุริยางแบนี้ไม่หลงโลกดุริยานะครับพี่น้องอ่ะทีนี้คนที่เป็นผู้นําคนเนี่ยรู้ว่าเป็นประธานหมู่บ้านอะไรก็ดีอย่ามองลูกน้องเป็นอะไรนะเป็นไพ่นบีสอนอย่างนี้นะมันยุค ข, ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยนายจ้างกับลูกจ้างให้มองยังไง ผมอ to todos, law, indo, ่านห a i s ให้ฟังในพี่น้องเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เลยอันอบดุลรัินรดิอลลอฮุอัลฮิควาดันนบีสุลลัลลอฮิวะสัลลัมอิควานุกุมขาวาลูกุมขาวาลุ่นนี่แปลว่าคนที่มาดูแลคนที่มาช่วยงานท่านมองคนมาช่วยงานนั้นเป็นอิควานุกุมเป็นพี่น ja ้องของท่านนี่ข <|ja|> ้อท erm ี่หนึ่งพอเริ่มเริ่ม h a ด i s เลยนะ อิขวานุกลุ่มให้มองคนที่มาช่วยงานนั่นเป็นอิขวานเป็นพี่น้องของท่านอันอยามองเป็นพัฒได้ไหมมองเป็นคนต่ำได้ไหมไม่ได้เป็นพี่น้องของท่านเขามาช่วยงานท่านข้อที่สองมองอยังไงครับยาอะลาฮุมลุลลอหุตาฮตะไอดีกุมอัลลอฮ์ส่งคนนี้นะมาช่วยงานท่านถึงบ้านของท่านนี่ข้อที่สองมองแบบนบีสอน ่วาฮีจากอัลลอฮ์นะเรื่องที่สามความมังกานะอคูหูตาตะตาาดทยดีถ้ามีพี่น้องของท่านมาอยู่มาอยู่ใต้าการดูแลของท่านที่เฉลิมเป็นคนส่งงานรู้เลย <c oughs> ลูกน้องเราที่ส่งไปทำงานในซาอุดีเนี่ยฝัลยุตญอาหูเรื่องที่สามให้นึกเรื่องอาหารก่อน ให้นึกเรื่องอาหารก่อนฟัลยุตรายมูเรามีกินแบบไหนลูกน้องเราก็ต้องกินแบบเรา Allah อัลลอฮฺอัลลนี่ไงบ้านใดก็ตามถ้าดูลูกน้องแบบนี้บ้านนั้นมีบรารักัดเรื่องที่สีวัลยุลบิสฮูมิมายัลบสูนึกเรื่องเสื้อผ้านี่มันอาหารอาหารนะจ๊ะเขาเรียกว่อะไรนะ่ะพื้นฐานของผลชีวิตมนุษย์นะ่ะนะ หนึ่งมองเขาเป็นพี่น้องใครส่งมาอัลลอฮส่งมาข้อที่สามนึกเรื่องอาหารสีนึกเรื่องเสื้อผ้าเหไหมเรื่องที่ห้านึกอะไรรู้ไหมยาช่ายให้เขาทำงานหนักจนเกินไปเห็นไหมครับอย่าช่ายอย่าบังคับให้เขาทำงานหนักจนเกินไปถ้างานหนักหนักให้ทำไงครับฟาอิโนฮุมข้อที่ห้าให้ลงไปช่วยเขา อลัลลอฮฺเห็นยังครับนี่การบริหารโลกดุนยาใบนี้บริหารคนต้องบริหารแบบนี้ดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีถึงบ้านนี้จะมีบัรกัดออฟฟิศนี้จะมีบรัตรกัดจังหวัดนี้จะมีบรัตรกัดโรงงานนี้จะมีบรัตรกัดนท่านั้นคิดกี่อย่างนะหนึ่งมองอย่ามองคนคนใช้เป็นทาสให้มองอย่างนี้หนึ่งก็เป็นอีควาดเป็นที่นองของท่านสองอลัลลอฮฺส่งมาสามนึกเรื่องอาหาร สีนึกเรื่องเสื้อผ้าห้าทางงานหนักต้องไปช่วยเขาอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ความรู้ผ่านอัลลอฮ์ผ่านนบีผ่านจิบรีนมาให้พวกเราปฏิบัติในวันนี้ถ้าใครที่เดินตามสุนนะนบีอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไปสวรรค์หมดเพราะอัลลอฮ์พอใจนะครับต่อมาครับอายาที่สี่สิบแปอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที <c oughs> นี้ใน ในในในอินเดียเนี่ยเขบอกอย่างนี้ขณะที่ประเทศอินเดียอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษนะครับผู้ปกครองชาวอังกฤษมองคนฮินดูมองคนมุสลิมในประเทศเนี่ยไรเกียรติเนี่ยอุลมะเขาสรุปเลยนะถูกอังกฤษปกครองมานะครับปกดูแลคนอังกฤษปกครองอินเดียเนี่ย เขาไม่ให้เกียรติฮินดูเลยไม่ให้เกียรติมุสลิมเลยทํางานทํางานทํางานเดืนเดือนได้บ้างไม่ได้บ้างเอายิสัยฟาโรุมมาใชา้เหมือนกันหมดเลยฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้ประเทศอินเดียนั้นถูกอังกฤษอังกฤษถูกไล่ออกจากประเทศและเอกคนที่มาปกครองหลังจากอังกฤษก็คืออะไรนะมหาตามาคารดีมหาตามค า, าคานดีเนี่ยอักราภเป็นยังไงมนาบุลลซานสรุปเป็นคนที่ไม่ให้ฮินดูกับมุสลิมนั่น ทะเลาะกันต้องการให้อยู่กันแบบสันติเห็นไหมถึงอัลลอฮ์ได้ให้อ่ะแล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วฮินดูเข็นฆ่ามุสลิมก็ <c oughs> ธรรมดาใช่ามาชีวิตมุสลิมถูกรังแกตลอดนะครับพี่น้องเอาต่อมาอายาที่สี่สิบแปดโดยมาภาพภาพที่มองคนต่ำๆดูถูกเยียดยา้งอัลลอ์ลงโทษดูอายาที่สี่สิบแปดนะครับ ฟะคะซับุฮฺมะฟะคะนูมินัลมุฮลิกินฟะคะซับุฮฺมะฟะคะนูมินัลมุลากินอัลลอฮ์นี่เขียนผิดหมดเลยผมนี่มินัลมุลกินฟะบุมะ ฟะกานูมินัลมุฮลกีอัลลอฮุอะัยผลจากการที่ปฏิเสธอัลลอ์ผลจากการที่ไม่สามารถแยกขั้วระหว่างอะไรนะวางคุณธรรมกับดุญยาไม่แยกดุญยากับอาคือรไม่ได้ถ้าแยกไม่ได้ดูครับเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงได้ปฏิเสธกนซาบู มาถึงได้ปฏิเสธคําสอนของอัลลอฮ์ผ่านนบีมูซากับผ่านนบีฮารูดปฏิเสธหมดเลยครับเพราะผลนะจ๊ะนึกภาพไม่ออกอ่ะนึกภาพอาซีรอห์ไม่ออกนึกภาพดุลยาไม่ออกนึกว่าเป็นคู่วเดียว ถ, ถ้าแยกออกนะสังหารฟาโรห์อยู่ด้สบายเลยแต่นึกไม่ออกอ่ะนึกว่าฉันภาพเดียวภาพดุลยาภาพอาซีรอห์ไม่มีฟาคัสยาบูฮูมาพวกเขาจึงปฏิเสธนบีมูซา ปฏิเสธนบีฮารูนอาเยฮิมัสซาดามฟากานูและพวกเขามาถึงพวกฟิลูนมินัลมูฮลากีนได้อยู่ในหมู่ผู้ถูกอาธรรมหรือว่าถูกทำลายมุฮลักแต่ว่าถูกทำลายให้พินาศให้ตายให้ใหจมน้ำแตาสรุปก็คือฟาโรห์และพวกเนี่ยไม่ใช่สองคนนะเป็นแสนนะ ที่จมน้ําตายน่ะเป็นแสนพวกทาหารทั้งหมดเลยจมนําตายหมดเลยมุสละกูรถูกทําให้พินาศถูกทําให้ทำลายหมดเลยนั่นผลจากการอะไรนะปฏิเสธคุณธรรมปฏิเสธอาคีระหลงดุนยาอย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮฺบออย่าหลงดุนยานะหลงอาคีรอดีที่สุดฉะนั้นชีวิตของเราวันนี้พวกพี่น้องมุสลิมต้องนึกนะตัพวพวกเองต้องนึกหลงดุนยาดีหรือหลงอาคีรอดี สรุปก็คือให้หนักในโลกอาคิรมากว่านักดุจยาให้เอียงระมากกว่านักดุจยาให้เอียงๆปทางอาคิรอมากกว่านจยหเอยะทันอะคราก่านกดาให้เอียงะนอ่คิรอมากก่นดา้องๆชันอะินอมากานดุาียงะันะคอาม่าดูรา้องวัลคนทน่เดินมานมว่านกดยใหเอียงชนอะคิรอมากกว่านักดุจาใ้เอาาียงระชเดินมานมานมาัก<ม>ดุจยาหเียงันอิมาานักดุจยาให้อยะไอะรถ้าไม่มี ถ้าไม่มีอาคิร้อนนึกไม่ออกท่านึกถึงอาคิร้อนเยอะๆเนี่ยนระู้ไหมคนที่เดินมามัสยิดเนี่ยเขาจะได้รางวัลอันสมเขาจะได้รัศ ม, มีที่สมบูรณ์ในโลกอาคิระอนรัศมีจะไปโพที่นู่นน่ะโพในโลกอาคิร้อนนู่นรัศมีที่สมบูรณ์อะรัศมียัง น, นี่ได้อะไรพี่น้องพราะในทุ่งมาชาติเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมืดสุดๆและเดินไหวอะ่ะ ถ้า ม, มีรัศมีรัศมีหาจากไหนครับหาจากโลกดุนยาใบนี้แหละแต่เอาไปชาญโลกอาคือรอดนู่นเห็นไหมพี่น้องคนที่เดินมาเมสยตดรัศมีที่กูบโบก็มีอัลลอฮฺอักบรรัศมีที่ใบหน้าก็มีบนโลกดุนยานี่อัลลอฮฺให้เห็นถึงจะดำเมี่ยมกันนาะนก็ตามแต่เวลาคนมองโอโ้คนนี้รัศมีดีอ่ารัศมีดีอะทำดีๆฉะนั้นพี่น้องครับ ถ้าคิดถึงโลกอาคริร้อยเยอะๆนะจะมีแรงทําอามันที่สอนแล้ถ้าไม่นึกถึงโลกอาคริระอยทำไม่ลงจะได้อะไรเนี่ยทำจะได้อะไรทำด <elle> ีแล้วครับมาต่อมาครับฟากาซาบูมาฟากานูมินัลมุฮลาดีนเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงได้ปฏิเสธเขาทั้งสองปฏิเสธนบีมูซ่าและปฏิเสธนบีฮารูน และพวกเขาเฟโรนได้อยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลายหรือพินาศมุ่งหลักห้าหลักแปลว่าถูกทำลายถูกถูกพินาศนะครับพี่น้องทีนี้พอพวกฟาโรตตายไปแล้วเนี่ย mm. เหลือพวกไหนครับ mm. เหลือพวกบันิอิสรอีน mm. นำโดยนบีมูซาอะลัยฮิสาลาอัลลอฮ เ, เมตตาอาอายาที่ี่ส9 ว่ล้ก็ด้อตัยนามมสัล -kitab ลัลลอฮุมยัตัดุนว่ล้ก็ด้อตัยนามมสัล -kitab ลอัลลอฮุมยัตัดุนอัลลอฮอายะนี้อธิบายชัดเลยครับพี่น้องหลังจากฟาโรห์ถูกให้จมน้ำตายไปแล้ว ไม่ใช่ตายเป็นหมื่นตายเป็นแสนไปน้องท้งมาโอโลทางทุกชนิดเครื่องทำกองสงครามบีฟาโรพาไปเล่นงานนบีมูซากับบันิอิสราออลไม่สำเร็จครับไปน้องเสร็จแล้วคนที่เหลือก็คือพวกบันิอิสราเอล น, นำโดยนบีมูซ่าอะลัยฮิสลามอัลลอเมตตาครับวัล้ก็ดอาตาอินาโดยแน่นอนยิ่งเราได้อาตาไปว่า ประทานให้แต่ว่านํามาให้นะครับพี่น้องอลัลลอฮ์เห็นไหมนํามาให้เลยนะอลัลลอฮ์นะให้กับใครครับมูซาให้กับนบีมูซาให้อะไรมาครับกิตากิตาทนี้หมายถึงคำภีเต่ารอกีตาหมายถึงคำภีเตารอคำพีที่มาจากชานฟามีทั้งหมดกี่เล่มนะสี่เล่มหนึ่งเตารอสองซา บ, บูธ สอินจีนหอซีกูรานสเล่มเป็นทางนำทั้งหมดมันจะเป็นอัจฉมัตะเมื่อก่อนนี้พวกเราเข้าใจผิดเนื้อพระกูรานเป็นอัจฉริยะใช่ไหมความจริงกูรานเป็นทางนำคำภีทั้งสี่เล่มมาจากชั้นฟ้าเป็นทางนำหมดเลยนะครับพี่น้องชาติท่านพวกเราสมัยก่อนเนี่ยด้วความไม่เอาศาสนาไม่ฟังศาสนานะยอ่อกูรานเป็นตะกุดแล้วแขวนไว้ที่คออัลลอฮฺอักบะ มองดูซาโจาโก้เดียวกันนะนะแตคิดไปกินมานี่มันย้ายห็นสุดๆเลยเนี่ยพราะอุราานั้นเป็นทางน้ำซาบูดเป็นทางนังเตาร้อนเป็นทางน้ำอินยีนเป็นทางน้ำสำหรับชีวิตแต่ละยุคแต่ละยุคไม่เหมือนกันนะครับเวลาก็จะไตนามูสลกิตะบบและโดแน่นอนยิ่งเราได้ประทานคำภีเตารอ้อนแก่มูซา แชมเี้ยต่อร่มาเนี่ยเพื่ออะไรครับลาอัลเลหุมเพื่อพวกเขาเหล่านั้นยะตาดูไอ้คำว่าหุมเนี่ยพวกไหนนะในตัฟซิดไบบอวีก็บอกว่าล้ย่ยู่งเอาดุดดอมิสอิลาฟโร์ไม่อนุญาตไอ้คำว่าหุมคําเนี้พวกเขาเนี่กลับไปหาฟาโรห์ไม่ได้ต้องกลับไปหาบานีอิสราอินพวกเขาใน บ, บีมูซาอย่างเดียวอัลลอฮ์ตัฟซิด ช่วยขยายละอัลละหุมเพื่อพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงพวกนบีมูซาพวกบานิอิสราอีนไม่ใช่พวกฟาโร่เพราะฟาโร่จมน้ำตายไปแล้วนะครับละอัลลหุมเพื่อพวกเขาหมายถึงพวกบานิอิสรออีนพวกนบีมูซาพวกนบีฮารูนยะตาดูนอยู่ในทางนำอัลฮัมดุลิละ จะนั่นขั้วขั้วนบีขั้วอาคีรอนนั่นเป็นขั้วที่สะอาดที่สุดเป็นขั้วที่ดีที่สุดเป็นขั้วที่อัลลอฮ์พอใจทรงอัลลอฮ์เลือกมามาสอนขั้วอาคีรอนให้ที่บนดุงยานี่ยเขาเลือกกันเองใช่ไหมนะอัลลอฮ์แต่ละคนแต่ละคนอร่อยหมดเลยอัลลอฮ์อักุบะจะนั่นขั้วดุงยากับขั้วอาคีรอนถ้าอยู่ด้วยกันนะดีมากนะ เอามาใช้กันช่วยเหลือกันจะดีมากแต่ถ้าแยกเมื่อไหร่นะอันตรายทันทีนะครับอทีนี้ขอย้ำยินดีนะครับคั่วาอาคิริลนะั้นมี ก, มกี่มีกี่รายการนะหารายการคั่วดุลยาก็พอๆกันละสีหารายการเหมือนกันขาาั่วอะคริลมีอะไรหนึ่งสิฟัตอีมานาาาคั่วอะคริลอัครากมารายาของท่านอบี ข้อที่สตักวันข้อที่ห้ายศข้อที่หกียตีข้อที่ห้าอยากีไป น, นองนี่แหละเป็นขั้วอาคิเร้อนวันนี้ขั้วอาคิเร้อนเอามาอยู่ในพวกเราเยอะๆเอามาอยู่ในบ้านเราเยอะๆเอามาอยู่ในลูกของเราเยอะๆไม่รอดไม่ถึงนี่ไปน้องอย่างงี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยนักเรียนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยบางคนนี่ฉลาดเอาลูกเราไปมื่อไหร่บางทีก็ฉลาดบางทีก็บางคนไม่ฉลาด บางครอบครัวลูกไม่ฉลาดเลยบางครอบครัวลูกเขาฉลาดดีอะไรดีแต่สังเกตแล้วไม่ก้าวหน้าในชีวิตคนเก่งเนี่ยบางคนเกง่งบางคนไม่ก้าวหน้าในชีวิตแต่คนที่ไม่เกง่งทาไมเขาก้าวหน้าในชีวิตถามมนาะอบุลฮัสซันมนาอบุลฮัสซันตอบบอ ว, ว่าสาเหตุใหญ่มีอยู่4ีประการหนึ่งลูกไม่เกง่ง แต่ว่าอนาคตดีเพราะพ่ อ, พอแม่ข้อที่หนึ่งขอดูอาให้สม่ำเสมอเรื่องใหญ่มากครับลูกเราไม่เก่งหรอกแต่ด้วยการมันขอดูอาแม่ก็ขอพ่อก็ขอเอาว่าบอกว่าขอว่าไงภบนาฮาบลานามินอัจวะจีนาวาซุริยาจีนากุลรอต้าอายุนวาจัลนาลินมุตตะตีนมามามาอยู่ที่บ้านขอดูอาให้ลูก พ่อก็ขอนุญาให้ลูกอนาคตไกลครับเรื่องที่สองครับให้เกียรติครูอาจารย์นักเรียนที่ไม่ให้เกียรติครูอาจารย์อนาคตมีมันกันแต่ไม่สะอาดไม่ดีจะนั่นให้เกียรติให้เกียรติอาจารย์ให้เกียรติครูเหมือนนบีมูซาให้เกียรตินบีไรนบีขอดเดรให้เกียรติแล้วลอยยกนบีมูซากันาดไหนเพราะให้เกียรติจะนั้นให้เกียรติครู นะครับข้อที่สามนะครับให้ได้นะให้เลือกอาหารที่ฮาลาลทานแม่ต้องอบรมหมดเลยพ่อต้องอบรมลูกเอ้ของฮาลอมเนี่ยอย่าทานนะเมวนซื้อเนี่ยหลานซื้ออะไรไม่ให้ผมทานผมเช็คดูมันมีตาฮาลาลไม่กินไม่เอาไม่ทานไม่หิวไม่ไปได้น้องถ้าไม่มีค่าถ้าไม่ฮาลาลอย่าทาน ไอเนื้อชิ้นหนึ่งถ้ามันถ้ามันไม่ฮาลาลทำให้ชีวิตเราเสียหายทั้งชีวิตเลยก็ได้เราไม่รู้งนะ่ะฉะนั้นข้าวเม็ดหนึ่งที่เหลืออยู่ในจานในยาทิ้งเอาไว้เพราะอโลมบอกว่ามันมีวรกคตเราไม่รู้ว่าเม็ดไหนมีวรรคตฉะนั้นทานให้หมดเลยทุกเม็ดเพราะเราไม่รู้ว่าอาหารเม็ดไหนมีวรรคตฉะนั้นอาหารคำหนึ่งถ้าเป็นของคารองไปน้องทําให้ชีวิตการมีอยู่ของเราเนี่ยข้าวอนาคตไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ ก, ก็ได้ ทังกลมดึกเยอะๆนะข้อที่หนึ่งพ่อแม่ขอดูอาข้อที่สองให้เกียรติครูอาจารย์ข้อที่สามเลือกอาหารที่ฮาลาลข้อที่สีใช้ชีวิตแบบตะวัเอาขั้วดุญยาอย่าเอาขั้วยาเอายาขั้วคุณยาจะเอาขั้วไหนขั้วอาคิโรเยอะๆใช้ชีวิตให้มีอีมานมีตะว า, ม, ามียาสานมียาตินอัลลอฮ์ขอนี้มีอิคลาส อาไวในตัวเราเยอะๆอัลลอ์ก็จะยงย่องให้เกียรติเราฉะนั้นขั้วดุนยากับวกอาเพยายามมองให้ออกนะครับอัลฮัมดุลิลลเอาต่อมาอายาที่50บนะครับพี่น้องทั้งหลายวะยะลนาบนามาริยามาวะอุมมูอายาวะวัยนาหูมาอีละรับวะติน <S <S ذات قرار ذات قرار ะ معين الله أكبر อัลฮ uh ah ah ัมดุลิลลาฮิพี่น้องนี่พอพูดถึงเรื่องนบีมูซาจบพูดเรื่องนบีอีซาต่ออีกแล้วเพื่อให้พี่น้องมุสลิมนั้นคิดไม่มีบุคคลตัวอย่างที่ดีเท่ากับนบีของอัลลอฮ์สุพาห์นะฮูวาตาดา บุคคลตัวอย่างของเราคือนบีครับเป็นว่ารู้ไหมเนี่ยคนชาวสวรรค์เนี่ยนะอัลลอฮจะเลือกบรรดาาบีทั้งหมดนเนี่ยไปน้องเอาลักษณะของเขาไว้ในสวนสวรรค์อย่างน้อยหกนบีเอาลักษณะเด่นเด่นของนบีนบีมีเป็นมีสองยี่สิบห้าท่านที่มีชื่อใช่ไหมที่ไม่มีชื่อเนี่ยเป็นแสนนะแสนสองหมืนกว่าท่านนะ ที่เด่นๆน้ น, นมีอยู่หกนบีพี่น้องและอลัลลอ์จะเอาลักษณะไม่ใช่เอาตัวนะเอาลักษณะของหกนบีนั้นมาอยู่ในกลุ่มคนชาวสวรรค์หมดเลยหนึ่งพี่น้องเอาอย่างงี้ใครนะคนที่สูงที่สุดลอที่สุดสูงน่ะนบีอะไรใช่ไหมนบีอาดัมอ่าจะท่านคนเข้าสวรรค์พี่น้องครับ จะมีลักษณะสูงเนี่ยตัวใหญ่เท่ากับนบีอาดัมอะดัยฮิสซลัมอัลลอฮฺเป็นองดีไมด่ดีสูงเท่ากับ น, นบีอาดัมนั่นคนเตี้ยเนี่ยไม่ตองไปสูงไม่ต้องไม่ต้องไปเสียใจเดี๋ยวเข้าสวรรค์ป๊อป๊อปสูงเข้านาบีอาดัมเลยข้อที่สองนะครับรูปหล่อใครนบีใดที่หล่อที่สุดในโลกนี้เอาตัวโรูปหมดเลยนะ <laughs> นั่นแหละ เราจะหลอในสวรรค์เหมือนนบียูซุฟอละลัยฮิสサラ อ, ล อ, ลอลัลลอฮุอัยฮุอลละใครผู้หญิงตามเลยใช่ไม้มนั้นทําตัวให้ดีอย่าเพิ่งจะชูปป้คนนี้นะเอาโน่นละวันหยู่ในสวนสวรรค์ดีกว่าที่สามพี่น้องที่สามหัวใจหัวใจหัวใจเราเหมือนหัวใจใครถูกไหมหัวใจเหมือนหัวใจนบียูนุสอละลัยฮิสサラหัวใจที่คิดถึงอลัลลอฮ์นะ คำว่าหัวใจเนี่ยหัวใจที่คิดถึงอัลลอเหมือนนบียูนุสอาเติบัตอยู่ที่ไหนอยู่ในท้องปลาอยู่ในท้องปลานะี่ยคิดถึงใครไม่ได้คิดถึงเมียนะคิดถึงใครนะคิดถึงอัลลอฮ์เลยนี่อัลลอฮ์นะครับชีวิตของนบียูนุสมาถึงหัวใจของเรานั้นจะนึกถึงอัลลอฮ์แบบนบียูนุสอัลลอฮสลามชมอัลลอฮ์บ้างนะ อิละฮ์อ ah. <laughs> ah ah ิละอันตะสุบฮานะกะอินนีกุนตูมีนาะริมีนั่น่ทอมตนก็ฉันเป็นคนเลวอัลลอฮ์จะาไปมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นหัวใจแบบนบียูนุสอะลัยฮิสลามความสูงเหมือนใครเหมือนนบีอาดัมความรลอเหมือนนบียูซุฟหัวใจเหมือนนบียูนุสอะลัยฮิสาลามะโคติสีผูจ่าไยร่ สัตว์ฟังกอดเยิ้มแพะแกะอัวควายอาลัลลอฮ์พูดไพเราะเหมือนนบีได้ไหมเหมือนนบีดาวูดอะเลฮิสซลาเหมือนนบีดาวูดพูดจาไพเราะมากเอาไปชาติวสวนสวรรค์อลัลลอฮ์เลือกอาจจะน้อยหนบีนะอข้อหข้อที่ห้าอายุอายุของคนในสวรรค์อยู่ไปตลอดไม่แก่ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ต้องพา ย, ยาน้ยายาหมองไม่ต้องพายไปแล้วไปน้อง อายุเ ท, า ท, าทา่าไรู้ไหมสามสิบสามเท่ากับนบีเท่ากับอายุของนบีอะไรอิซาอะฮิสลาอัลฮัมดุลิลลานข้อที่หกมารยาทที่งดงามเปน้องอย่าลืมนะคนนี่จะเด่นได้เพราะมารยาทนะมารยาทที่งดงามเหมือนใครลองเดาซิเหมือนนบีมุฮัมมัดลลัลอะลฮิวะันแมอัลฮัมดุลิลลานนั้นเป็นคนดีเถอะไปน้อง เป็นคนดีอีมานต่อมุฮัมมัดแล้วก็มารดยาของเราวันนี้อาจจะไม่ดีไม่งามอะไรก็ตามแต่พยายามพยาพยามมพัฒนาตัวเราให้เอาอัคลาของนบีมาใช้ในชีวิตประจําวันทำโดุลิลเอียดไปน้องนี่นบีเป็นอย่างนี้อัคราขอนบีได้ยินเสียกษอาจารอยากเข้าสูเราแต่พวกเราเสียกษอาจารย์อยากนอนเรามันจะได้อย่างไงไปน้อง อัลลอฮฺอักบะต์นบีเห็นผู้หญิงมองครั้งแรกได้ครั้งที่สองลดเรานี่ไม่ลดตามใครเอาอักลากนาบีมาใช้อัลลอฮฺอกุเห็นผู้หญิงก็มองครั้งแรกพอแล้วอ๋อนี่เป็นเป็นคนพอแล้วครั้งที่สองจะทำไหมไอ้ตอนลดนี่เรานึกถึงนบีโอ้นบีอุ้มัดยังลดได้ซอบา้นานนบีลดได้แล้วเราจะเป็นลดไม่ได้ เบอคุคนละยุยคเดี๋ยวเรามายุคไฮเทคใครบอกคุณละ <laughs> ่ะถ้าท่านโล่าดนยานี้มาของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลานะครับพี่น้องสรุปอัลลอฮ์พี่น้องหกสิฟัตของนบเนีเด่นในโลกนี้อัลลอฮ์จะไว้อยู่ในตัวของเราในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งความสูงเหมือนนบีอาดัมความหล่อเหมือนนบียูซุฟหัวใจที่นึกถึงอัลลอฮ์แบบนบียูนุสอาดยฮิสลาม พูดจาไพเราะแมือนนบีดาวูดอลัยฮิสสลามอายุเท่ากับนบีอิซาอะลัยฮิสสลามและมาลาย่าที่งดงามเหมือน أ خ ل ของนบีมฮัมมัดลลัลอะลัยฮลามอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องวจอัลนาบนมารียวะอุมมูอายและเราได้ทาให้ลูกของมัีย์อยาานาแปลว่าเราได้ทำอิบนาหมายถึงลูก มาริยมนางมาริยมวาอุมมาหูนางมารยิมมมาามารยมเนี่ยเป็นใครเป็นแม่อ้าอัลลอฮฺอธิบายว่าจะกลัวจะสับสนเนี่ยเป็นแม่ของใครเป็นแม่ของนบีอิสาลาฮิสลามอายาจันเป็นอะไรนะเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณอุลามาเขาเขาวิเคราะห์ชื่อนะสองคนแม่ กับลูกสองใช่มหมแต่ทำไมชายเอกพจน์อาญาตันที่เป็นเอกพจน์มันต้องอาญตัยนี่ใช่ไหมนะโอ้เห็นไหมคุณจอนสังเกตไหมน่ะอาญตันเป็นเอกภพคนสองคนคนสําคัญทั้งสองแต่ชายเอกพจน์ทําไมคําอธิบายก็คือต้องการจะอธิบายเรื่องนางมาริยมไม่ใช่อธิบายนาบีอีซาอัลัยฮิสซลาหรืออุลามอธิบายว่าสองคนนี้นะ เป็นหนึ่งไม่ใช่สอง อ, อธิบายว่าสองคนนี้รวมเป็นหนึ่งไม่ใช่สองคนละสองนะไม่ใช่นะหรือทักกาจะอธิบายจอธิบายถึงนางมารยิยมไม่จะอธิบายจะมีอีซาใดยสิดยสลามนี่อธิบายถึงนางนางมารยยมนางมารยยมเป็นไงครับฟาจัลนาบนามาริยามะวะอุมอมูอะยา และเราได้ทำให้ลูกของมาริยมชื่ออีซาและแม่ของเขาชื่อนางมาริยมเป็นสัญญาหนึ่งเป็นเอกภ์เป็นอาญาตันเพื่อจะอธิบายว่าต้องการจะอธิบายศิ่งฟัของนางมาริยมหรือว่างานของนางมาริยมที่ทำอัลลอฮฺพอใจนะครับต่อมาครับและเราได้ว่าวัยนาหูมาและเราได้ทำให้เขาทั้งสอง อาวาไปว่ามีที่พักพิงอลัลลอฮ์ไปได้พี่น้องเขาว่าคุณอ่านแต่ละวักเนี่ยมันนึกถึงพวกเราด้วยนะอลัลลอฮ์ให้ที่พักพิงกับนางมารยิยมกับใครนะนบีอีซาแล้วพวกเราวันนี้อลัลลอฮ์ให้ที่พักพิงไหมให้ฉะนั้นถึงจะพูดเรื่องนางมารยยมก็พูดถึงพวกเราด้วยวันนี้แล้วก็พูดถึงมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้อลัลลอฮ์ให้ที่พักพิง ในสวรรค์อัลอลอฮ์เตรียมที่อยู่ไว้เตรียมได้ไม่เตรียมให้กับพวกเราวันนี้ถ้าไม่เอาที่อยู่ในสวรรค์อัลอลอฮ์ก็เตรียมที่อยู่ไหนนรกเอาไว้เองแคนั้นอัลลอฮ์จัดไว้หมดเลยอยู่บนยุนยาใบนี้อัลลอฮ์ก็ให้ที่พักพิงบนโลกใบนี้เห็นไหมให้ทุกคนแม้แต่สัตว์ก็มีที่อยู่ยินก็มีที่<ม>อยู่ใช้ตอนก็มีที่อยู่เอา้าเธออันจะสงสัยว่าชาตอนมันอยู่ที่ไหนกันแน่อ่ะอยู่ที่ไหนใช้ตอนอยู่ในส้วม <ś red> ฉะนั้นเวลาเข้าส้วมต้องนึกถึงเฮ้ยใช้ตอนอยู่ในส้วมนี่ว่าเอาไงอ่านดูอ่าอัลลอฮุมะอินนี่อัลลอฮุมะไดอัลลอฮฺอินอาอูซุวิกมรนั้นขบุสีวัลกับาอีสิแคนั้นส้วมของทํานไม่สะอาดนะเข้าไปแ ล, โโล้วอ้โหลมีอะไรตายาอยู่ในส้วมมันไม่กล้าเข้าฉะนั้นส้วมมันสะอาดจะว่ายจะไหมมีคนขูดธบี่บาวา่า ถ้าส่วมที่ไหนสกครกแสดงว่าครอบครัวนี้สโสกครกทุกคนนั่นแหละโอเ้เราฟังนั่งนั่งหลายๆคนได้ข้อคิดเยอะนั่นมัสยิดไหนส่วมสะอาดแสดงว่าคนมุกเกมนี้เป็นคนสะอาดหายยากแต่หาหน้อยหายยากะไปน้องดูแลส่วมไม่สะอาดฮเอาต่อมาครับวะไตนาหูมาอิลารอบบัว และเราได้ทําให้เขาทั้งสองมีที่พักพิงที่พักพิงพวกเราด้วยนะไม่ใช่จะเฉพาะนางมาดยามกับน บ, บีอีซาเท่านั้นนะเอาต่อมาครับอีลารอบบวัวที่พักพิงนั้นนะ่ะอยู่ที่ราบสูงเป็นที่ราบสูงแห่งหนึ่งรอบบวัวที่ราบสูงแห่งหนึ่งนี่เราเล่าเลย ไอ้ที่ราบสูงแห่งหนึ่งนี่เป็นน้องครับบรดาอุละม้าเขาแนะนําบอกว่าที่ไหนอยู่ประเทศไหนถ้าสรุปแรกอยู่ในประเทศอียิปต์อ่าอุลลอฮฺอัลลอฮฺนะฮะอยู่ที่อียิปต์ก็ที่อียิปต์นะครับเป็นน้องลละม้าบางคนอธิบายอยู่ในคัชเมียอุลลอฮฺมาอินเดียเนี่ยมอยู่ในคัชเมียอินเดียนี่นะโอ้โหแต่พวกว่าอยู่ในอียิปต์ถูกต้องละละอยู่ในประเทศอียิปต์รอบพวกว่าหมายถึง ที่ราบสูงอยู่ในประเทศอียิปต์อัลฮัมดุลิลลาน้องทีนี้ไอ้ที่ตรงนั้ น, นไปทำอะไรมะไปขอดลูกไปขอดลูกแป้งอร่อยบน้อ ง, Allah, องแล้วก็ซาติกรอรินซาติกรอร น, นี่แปลว่าอะไรนะมีที่พัก อร่อยเป็นที่พักอย่างสบายรอบบาวเนี่ยเป็นที่พักพิงที่พักพิงแบบไหนนะแบบสบายอร่อยเป็นที่พักพิงอย่างอย่างสบายแล้วก็มานินแล้วก็มีทานน้าไหลอ ย, อยู่ด้วยมีน้าอยู่ด้วยต้องการจะอธิบายว่าผู้หญิงคลอดลูกเนี่ยมันต้องมีน้าอยู่น้ำไม้หมายถึงอะไรนะ ทานน้าไหลเอาไว้ทำไรเอาไว้ชำระความสะอาดเห็น ไ, ไหมนี่คุณอ่านชี้คนนี้ก็กอุลามา ก, ก็แนะนำตามอัลกุรอานนี่้ปาเลสไตน์กับอียิปต์สมัยนั้นมันรวมกันหมดนะนะเดี๋ยวอมัอมารวมหมดกัเรียวกวอียิปต์กับช่ไดานะตอนนี้มาแยกเนีปาเลสไตน์นั่นนี่มาแยกกันหมดยังกระชามเหมือนกัน มาก่อน 4-5 4ประเทศใหญ่ๆ ใ, ใช่ไหมแล้วมาแยกเป็นชาดิสไบเลสต์ยา ย, ยานั่นไอ้นี่โอ้มาก่อนเขาเรียกชาดิกันหมดนะครับแล้วก็อียิปต์มันก็คุมอยู่สมัยนบีมูซาสมัยนั้นดูแลครับเอาแล่วนางมาริยามนี่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่รอบบวัวไปคลอดลูกทีนั่นมีทานน้ําจะเป็นที่พักพิงที่สบายมีทานา้ําไปทำอะไรเอาไว้ดูแลทําความสะอาดนะครับ เ, เลือด ที่ออกมานะครับพี่น้องนี่งแสดงว่าอิสลามเนี่ยสมบูรณ์สอนหมดเลยทุกราะการนะทีนี้ภาษาอุ ด, ดูบอกวัานะบารานิชานอายาเนี่ยเป็นบารานิชานแดเป็นเครื่องหมายที่สำคัญของอัลลอฮ์สุบฮานวูวตาดาร์ทการจะอธิบายว่าความสามารถของอัลลอ์ในอายา t h i นะอัลละฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาในสีแบบ สร้างอาดัมมีทั้งไม่มีพ่อและไม่มีแม่ใช่ไหมทุกคนยอมรับนะสร้างฮาวามีพ่อไม่มีแม่สร้างนบีอีสามีแม่ไม่มีพ่อสร้างภูเราวานีมีทั้งพ่อและแม่ไอนิก้ามันนิกาอีกเรื่องหนึ่งนะแต่พ่อแม่มีไหมมีนี่ยการสร้างข้ออรรมีสี่แบบใช่ไหม เนี่ยกุณอ่านเนี่ย<ม>พออ่านแล้วเล่าเรื่องนบมีมูซานางมารยามเ ป, เป็นอะไรเป็นอะกีดอลลอาอัลลอฮฺยานั้นเราต้องมีอะกีดาสี่อย่างว่าอัลลอฮสร้างมนุษย์มาในสี่แบบไม่มีพ่อไม่มีแม่คืออาดัมมีพ่อก็คือฮาวามีแม่ไม่มีพ่อนะนบีอีสซามีทั้งพ่อทั้งแม่พวกเราวันนี้อิดีกามิดีกาไปรักษาตัวเองก็นแล้วกัน อัลฮัมดุลิลลาฮิคารีนองอายะสุดท้ายนะครับพี่น้องตลาดอายะสุดท้ายยาอเยห์ฮรุุลกลูมิน الطيبات وعملوا صالحة إني بما تعملون عليم يا أيه الر ال ه أي الرسول กลู من ا ل ط ล ب ا ว وعملوا صالحة إني ลูนอ ع ลีมอัลล م ا ل อัก ك ั ر พี่น้องคำแปลนะครับรอซูลทั้งหลายเอ่ยรู้ซุนเป็นประหุน์เห็นไหม รสูนท้งมาทั้งหมดในโลกนี้แหละที่มีกี่คนก็ตามแต่นะครับอลัลลอฮ์สั่งรอซูลทั้งหลายนะสั่งว่าไงกูรูจงอะไรจงกินจงบริโภคแต่ ว, วันนี้มีใครบ้างไม่กินกินด้วยกันทุกคนจะนี่กินยังไงไม่ให้อ้วนอ่านึกนบีสอนว่าไงนะให้แบ่งกระเพาะ อ, ออกเป็นสามเรากินอาหารที่ฮัลล่าในมั้ยเด็กลูกเราจะฉลาดมันมันมันมันมูน ม, มพันธ์กบเลยกับชีวิตเราเนี่นะ กูลูท่านหลายจงกินจงบริโภคมินต่อยบาสจากส่วนที่เป็นของดีๆตอยยิบตอยบาเป็นพระพจน์ของดีทั้งหมดอาหารทุกรายการต้องเลือกอาหารที่ดีคำว่าดีหมายถึงมีค่ามีคุณค่าอาหารดีๆ ด, ด้วยเอาหนาบีนบีเลือกอาหารหน้าเราหน่าเราจะเอามาใช้นะนหนึ่ง นบีจะทานในนั้นมะกอกน้ำมันมากอกลูกมากอกนบีทานอาจุหะอินฝาลามอย่างแพงที่สุดเห่นไหมอันที่สามนบีชอบเนื้อแพะอันที่สี่นบีชอบปลาเนาะอาซันน้ำผึ้งเห็นไหมแต่ละรายการแต่ละาการวันนี้แพงหมดเลยใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ปลอมก็เยอะอะไรนะอาซันเนี่ยผมนับปลอมเต็มเลย ถ้าใครกินน้ำผึ้งปลอมในระว่างเปโรคบาหวานจะตามมาถ้าไม่ปลอมเนี่ยทำดุลิยางดีหมดหนึ่งอะไรนะไซตูนน้ำมันมะกอกสาอะไรอินทผร า, ามอายุวะอย่าทานเยอะเม็ดสองเม็ดทานสาเ ม, ม็ดพอแนละอย่าทานเป็นกิโลกิโลอะไรไปน้องแล้วก็อาซั่นน้ำผึ้งอร่อยแล้วก็เนื้อแพะนี่นบีจะทานเนื้อแพนะนะนบีจะทานขานะขาอ่อนด้วยนะ หน้าขาอัลลอฮฺว่าว่านี่ไงดูดีนบีของเราชั้นหนึ่งไหมชั้นหนึ่งห้มดุลีเล่อเอาทีนี้เ <c oughs> มื่อกินอาหารแล้วพี่น้องครับเลือกอาหารที่ดีแล้วนะพี่น้องนะเมื่อกินอาหารแล้วก็ว่าอัมลูซอลิฮะจงอะไรจงจงประกอบซอลและที่ดีมายถึงงานที่ดีงานที่ดีคืออย่านึกเองนะต้องตามใครตามสุนนะนบีเท่านั้น พี่ต้องต้องนึกนะฉันลูกกูอันนี้เหมือนใครเนี่ยเหมือนตัวย่อหรือเหมือนนบีต้องนึกนะเอามือนเนี่ยห่างกันดิเนี่ยที่หัวเขาเนี่ยอันนี้เหมือนใครเหมือนนบีต้องนึกโอ้ฉันเนี่ยจะต้องสอนให้เด็กนักเรียนเนี่ยเอาสุ น, น่านาบีไปใช้สอนลูกก็เหมือนกันเข้าคำน้ำลูกลูกลูกเข้าหนา้าตามสุ น, น่านาบีนะเวลาสุหยุดเนี่ยทายําไงเอามือ เนี่ยวางที่พื้นเนี่ยให้เจ็ดรายการถึงพื้นเหมือนใครเหมือนนบีต้งนึกต้องเหมือนนบีเหมือนนบีเหมือนนบีอย่าเป็นเหมือนตัวย่อตัวย่อตัวย่อไม่เอาเหมือนนบีเหมือนนบียกมือให้เหมือนนบีกอดอกให้เหมือนนบีเพราะอัลลอฮ์ส่งนบีมาคนเดียวให้ดูตัวอย่างนบีนบีนบีนบีนะครับต่อมาครับอินนีบมาตามาลูนาลีแท้จริงฉัน อินนีประแท้จริงฉันบีมาตามาลูนนะครับท่านทั้งหลายกระทำอาริมทรงรู้อัลลอฮ์ทรงรู้การกระทำของมนุษย์ทุกคนจะทำอะไรก็ตามแต่รู้หมดเลยอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังของอัลลอ์อารัชนะครับแต่สิฟัตของอัลลอ์คือเห็นรู้ได้ยินอีก9ก้าสุก้าวพระนามทรงเห็นทรงรู้ทรงดิน ทุกหนตูแห่งมนุษย์อยู่ตัวไหนก็ตามอ่นรู้รหมดเลยท่านนึกอาย่นี้ทําให้เรากลัวอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละพิทักษ์กับอายาน่นี้มีกี่ประเด็นเนี่ยห้าประเด็นประเด็นที่หนึ่งทุกนบีของอัลลอฮฺอัลลอฮฺสั่งให้เลือกทานอาหารที่ฮารานที่สะอาดสะอาดเท่านั้นนี่เรื่อประเด็นที่หนึ่งนะครับต้องเลือกทานอาหารนะต้องมีฮารานนะพวกเราวันนี้นะข้อที่สอง ความดีต้องยืนหยัดนี่สองให้สั่งให้นบียืนหยัดและให้นบีสอนอุ ม, มะให้ยืนหยัดในการทำความดีข้อที่สามเตือนบาหลหลวงพวกคริสเตียนด้วยเป็นผู้นำคนเนี่ยต้องยืนหยัดในคุณธรรมความดีเดี๋ยวนี้บาหลหลวงยืนยันยืนหยัดยหมไม่ ย, มยืนแล้วไปนะทำสารพัดอย่างที่อัลลอฮ์ห้ามข้อที่สี่จากคดีนี้นะครับ ผู้ที่ทานอาหารที่ฮารอมเนี่ยรู้ไหมใส่เสื้อผ้าที่ฮาอมอาหารที่ฮารอมขอดูอาอาลัลลอห์รับหรือไม่รับไม่รับเลยอย่างถ้าใจลอยด้วยใจลอยขอดูอากิานอาหารฮาอมขอดูอาอาลัลลอฮ์ไม่รับเสื้อผ้าฮารอมขอดูอาไม่รับแล้วก็ใจลอยด้วยไม่รับฉะนั้นอาหารที่ที่ฮาลายิ่งใหญ่เหลือเกินนะเพื่นน้องต่อมาข้อที่ห้า อาหารอร่อยอร่อยเนี่ยทานได้ไหมเขาถามอาหารที่ละ יז สละ יז เนี่ยอันไทยได้ไหมคาว่าตอ ย, ยิบเนี่ยแปลว่าอร่อยด้วยอ่าเนี่ยอุลมามะอธิบายนะฉะนั้นทานอาหารอร่อยอร่อยถูกปากได้ไหมได้แต่ไซนาอัลีสั่งไซนาอัลีเป็นลูกเป็นลูกเขยนบีเป็นซอบ้านนาบีบอกว่าเวลานั่งอยู่บนโต๊ะอาหารให้ระวังปากกับระวังทองให้ดีอย่า ก, กินเยอะ ระวังปากไว้อย่าเคี้ยวเยอะนะครับอย่า ก, กินเยอะนั่งอยู่คนเดียวนะระวังใจคิดอะไรสุกปกเยอะนะเวลานั่งอยู่กับคนหลายคนให้ระวังปากคุยทุกเรื่องโอ้โหถ้าดไอ้ตอนคุยนี่แหละอร่อยคุยๆเล่าเดึกตัวเองบ้างโอ้โหเสียหายหมดเลยนะครับเรื่องไม่ดีไม่ดีนะแต่เพชรด า, าวฉายมันคือเล่าเล่าที่ยติคนเขาเป็นคนขงเทศ ด, ดีถ ม, มตัถมตนดีครับเดียวดี พี่น้องแสดงว่าไซนาลีเนี่ยเป็นห่วงอยู่คนเดียวเป็นห่วงใจอยู่หลายคนเป็นห่วงปากอยู่บนโต๊ะอาหารอยู่บนเสื่ออาหารเนี่ยดัชสครอนเนี่ยนะระวังท้องให้ดีพี่น้องพี่น้องก่อนจะจบมีอุลามะยิวกับอุลามะมุสลิมเขาเชิญอุลามะมุสลิมไปอยู่ในกลุ่มคนยิวน่ะเป็นร้อยๆนั่งกันเต้นไปหมดเลยอุลามะมุสลิมไปพอถึงก็ ก็ต้องการจะถามปัญหาให้ตอบเองขาบได้อ้าวคุณถามฉันก่อนฉันฉันถามคุณข้อเดียวพอนะในอุลมามะมุสลิมอ่ะฉันถามคุณข้อเดียวคุณจะถามผมกี่ข้อเชิญตามสบายเลยถ่านเถามทั้งหมดยี่สิบหข้อผมไม่ตกผให้สัก4ีหข้อพอเวลาเป็นหมดแล้วข้อที่หนึ่งเขาถามว่ามีหนึ่งไม่ไม่มีสองอุลมามะมุสลิมให้ตอบหน่อยข อุลมามะคนนี้ชื่อบายาซิดมัสตอีน่คำว่ามีหนึ่งไม่มีสองก็คืออัลลอฮ์ทุกคนนั่งถูกใจถูกใจถูกใจใช่ไหมข้อที่สองถามว่ามีสองไม่มีสามตอบว่ามีกลางวันกับกลางคืนยอมรับหมดเลยมีสามไม่มีสี่อุลมามะตอบมีลาวคิลมาฟูซ คอลัมที่อัลลอฮ์สร้างมาปากกาที่อัลลอฮ์สร้างมาครั้งแรกนะอันที่4กุศ 4, ลสี่ามรายการที่อัลลอฮ์สร้างครั้งแรกนะอะไรนะหลักขึ้นมาพูดปากกาแบบกุศลอารัชอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาทุกคนอยอมครับมี4ไม่มี5มีแค่4ไม่มีห้าคำพีของอัลลอฮ์ที่มาจากชันฝามีกี่เล่มนะ4เล่มอะไรบ้างตารอซาบุตอินจีลคุ ร, รานถามว่ามี5ไม่มี6 นามาต5เวลาวันหนึงหเวลาไม่มี6เวลาตอบดีไหมดีข้อที่6ถามว่ามี6ไม่มี7นั่นคืออะไรอ่นอ่นอ่าน อ, าน อ, านอานทั้งหมดนี่อ่านอ่า น, อ, า น, อ, านอ่านคุรตาให้ฟังหมดเลยนะครรคัสมาวาทิวัลอัตวะมาบใยนะหัมาฟีสิตาที่ไอยามอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินภายใน6ระยะ6วันถามแค่นี้ยังมีต่ออีกเยอะ แต่นี้อุลมามะมุสลิมถามหลังจากประมาณยี่สิบหข้อเขาถามถักบผมขอถามข้อเดียวนากุญแจสวรรค์อยู่ที่ใครอ๋อหล่อแค่นี้เฮงปรามายาฮูดียืนงงเลยอ้าถามตอบซะหน่อยใครถือกุญแจสวรรค์ที่ใครสวรรค์เป็นคนแรกแลนอยู่ที่ใครตอบไม่ได้ เอาถามพวกเราว่าใครถือกุญแจสวรรค์ท่านนบีม so ุฮ <alley> ัม <abet> ม <ize> ัดสุลลัลสัมถือกุญแจสวรรค์ครับฉะนั้นใครที่ไม่เชื่อนบีหมดสิทธิ์จะเข้าสวรรค์อะฮูดีงงเลยครับนั่งกันเป็นร้อยอุลามาก็หลายคนนั่งอยู่ปิดเงียบเลยอ้าถ้าจะพูดว่าอยู่ที่นบีมุฮัมมัดแล้วเอ็งตามใครวะนี่เอ็งแอนตี้มุฮัมมัดใช่ไหมอิฉานบีมุฮัมมัดใช่ไหมนี่ไง อ่านนไปนอนได้ได้ได้ความรู้สุดท้ายก็คือใครถือกุญแจสวรรค์ใครนะมามันจะนั้นต้องตามนาบีเชื่อนบีเรียนสุนนะนบีอะไกุมบิสุนนติวาซุนนติลคลฟาอิรอเชดียึด น, นบียึดสฮา บ, บาเป็นแบบต้จะไปสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับ